2. ทุติยภานวาน ป, ก า, น ก, รราาปกาสนิยกรรมมะว่าด้วยสงทรปปกาสนิยกรรมแก่พระเทวทัต สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยบริษัทมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมแก่บริษัทซึ่งมีพระราชาประทับอยู่ด้วยครั้งนั้นพระเทวทัตลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าค่ะเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงพระชราภาพเป็นผู้เท่าสูงอายุล่วงการผ่านไวัยไปโดยลำดับแล้วพระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปล่อยวางประกอบตนอยู่ในธรรมสำหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันโปรดมอบภิกษุสงฆ์ให้ข้าพระพุทธเจ้าเถิด ข้าพระพุทธเจ้าจะปกครองภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจที่จะปกครองภิกษุสงฆ์เลยแม้ครั้งที่สองพระเทวทัตทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าเวลานี้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 แม้ครั้งที่สามพระเทวทัตก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงพระชราภาพเป็นผู้เท่าสูงอายุล่วงการผ่านวัยไปโดยลำดับแล้วพระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปล่อยวาง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 เราจะมอบภิกษุสงฆ์ให้เธอซึ่งเป็นคนต่ำช้าบริโภคปัจจัยดุดกลืนน้ำลายได้อย่างไรเล่าขณะนั้นพระเทวทัตคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงรุกรานเราท่ามกลางบริษัทที่มีพระราชาประทับอยู่ด้วยด้วยพระดำรัดว่าเป็นผู้บริโภคปัจจัยดุดกลืนน้ำลาย ทรงยกย่องแต่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจึงโกรธไม่พอใจถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณจากไปนี้เป็นการผูกอาคาตครั้งแรกในพระผู้มีพระภาคของพระเทวทัต